ตอนสมาธิเรื่องหนทางให้สมาธิเสื่อม เรามาพูดกันถึงเรื่องการสอนสมาธิในข้อที่สิบต่อไปเพราะว่าการสอนสมาธิที่ได้ตั้งหลักสูตรไว้นี้ต้องการจะสอนให้อย่างละเอียดคือเอากันเป็นขั้นเป็นตอนมาเลยเพราะฉะนั้นเราจึงจะได้เห็นว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ย เราได้ศึกษาไปขั้นหนึ่งตอนหนึ่งขั้นหนึ่งตอนหนึ่งไปเรื่อยๆในขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยถ้าจะให้พูดชั่วโมงเดียวเท่านั้นน่ะของพ่อก็พูดได้จบแต่ว่าถ้าจะพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยประโยชน์อะไรที่จะได้ขึ้นมามันก็ไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาเพียงแต่ฟังแล้วก็หายไปขนาดที่ว่าเราแนะนํากัน เป็นขั้นเป็นตอนทีละน้อยละน้อยขนาดนี้ก็ยังได้ไม่หมดซะด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความละเอียดขึ้นจึงต้องบอกว่าอันนี้คืออาการอันนี้คือการเพิ่มอันนี้คือการลดและว่าอันนี้คือความเสื่อมเมื่อมีการเพิ่มขึ้นมามันก็ต้องมีการลดลงไปอย่างนี้ เรื่องของสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อมีเพิ่มขึ้นมามันก็ต้องมีลดลงไปแล้วพูดคำนี้กับคำที่หลวงพ่อพูดไว้ก่อนคือว่าสมาธินี้เมื่อทำเท่าไหร่แล้วก็ต้องเก็บเท่านั้นไม่มีการสลายตัวก็เมื่อพูดว่าไม่มีการสลายตัวแล้วทำไมจึงมีการพูดถึงความเสื่อมที่เกิดขึ้น ในที่นี้ก็จะได้อธิบายให้เห็นชัดว่าความเสื่อมของสมาธินั่นเป็นเป็นความเสื่อมของเขาเรียกว่าพลังเฉลี่ยพลังหลักนั้นจะไม่มีการเสื่อมแต่พลังเฉลี่ยเนี่ยจะมีการเสื่อมโทรมลงไปเพราะฉะนั้นการเสื่อมโทรมของพลังเฉลี่ยนี้จะมีผลมาถึงร่างกายของเราด้วยเรียกว่าสุขภาพกาย และสุขภาพใจเช่นคนที่แก่เร็วเกินไปอันนี้คือใช้ความคิดมากเกินไปเมื่อใช้ความคิดมากเกินไปไม่มีการหยุดยัง้งแทนที่ว่าจะมีอายุถึงเจ็ดแปดสิบมันก็มีถึงอายุสี่สิบห้าสิบก็ตายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าในขณะที่อายุเข้ามาถึงห้าสิบ กำลังดีๆอย่างคนที่มีอายุห้าสิบนี่กกำลังทำการทำงานอย่างเงี้ยก็กลายเป็นคนหลงคนลืมไปเสียจาอะไรก็ไม่ได้หรือบางทีจาได้ก็เผลอเถอบ่อยเข้าแล้วก็ร่างกายก็เหี่ยวย่นลงไปหน้าตาก็เหลือแต่กระดูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือความเสื่อมโทรมก่อนวัย การเสริมฉ้องก่อนวัยนั้นสมาธิมีส่วนเกี่ยวขอ้องก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ว่าอย่างที่สมองของเราเนี่ยเราจะต้องใช้ตลอด24ชั่วโมงมันไม่ยอมหยุดยั้งให้เพราะมันยั้งไม่ได้สิ่งที่จะยั้งสมองของเราได้นั่นก็มีอย่างเดียวคือสมาธิจะเป็นเครื่องยับยัง้งเมื่อเราทําสมาธิเนี่ย เราจะรู้สึกว่าตัวเราเบาขึ้นนั่งไปไงี้ตัวเบาตัวทําไมมันถึงเบาน้ําหนักก็อยู่เท่าเก่าเจ็ดสิบกิโลก็เจ็สิบกิโลเท่าเก่าแล้วเวลามานนั่งสมาธิตัวมันเบาขึ้นมาได้อย่างไรนี่คือความหยุดหมายความว่าสมองหยุดสั่งงานแล้วก็มีการชะลอทุกสิ่งทุกอย่างจะชะลอขึ้นทีนี้เราสมองเราหยุดสั่งงาน ตอนธรรมดาจะสั่งงานยี่บสี่ชั่วโมงก็เหลือยี่บสามชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้หลายวันเข้าหลายวันเข้ารวมเข้ามันก็นับร้อยชั่วโมงอย่างนี้เป็นตน้นแล้วเมื่อมันเป็นเช่นนั้นน่ะสมองอันนี้มันก็ทํางานลดลงไปในจํานวนว่าปีหนึ่งลดไปร้อยชั่วโมงอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ทําให้ร่างกายของเราสุขภาพร่างกายเนี่ยชะลอความแก่ ลองไปได้เพราะฉะนั้นสมาธิจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในร่างกายและในด้านจิตใจด้วยเหตุอย่างนั้นในที่นี้หมายถึงความไม่ก้าวหน้าคือเรามาพูดถึงความเสื่อมของสมาธินั่นคือความไม่ก้าวหน้าความเสื่อมนั้นหมายถึงสภาพแห่งความเสื่อมโทรมสมาธิหมายถึงความสงบสิ่งใดก่อขวนความสงบ ถือว่าเป็นทางทำให้สมาธิเสื่อมเช่นความเสื่อมสภาพของร่างกายก่อนวัยอันไม่ควรที่เป็นเช่นนั้นเพราะปล่อยประละเลยทำให้ร่างกายสุดลมเร็วขึ้นเป็นต้นว่ากินเหล้าเมายาเที่ยวเตรนนอนไม่เป็นเวลาหักโหมการงานเกินไปร่างกายนี้จะต้องสุดลมก่อนวัยสมาธิขาดความต่อเนื่องไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ อันนี้จะไปเป็นความก้าวหน้าไม่ได้เพราะว่าการทำสมาธินั่นอ่ะทำน้อยๆดีกว่าทำมากๆแล้วก็นานๆทำทีไม่ดีทำน้อยๆแต่ว่าทำไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่นิยมที่จะให้คนนั่งสมาธินานจนเกินไปอย่างเี้ยหากว่าจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์นในตัวเอง เหมือนกับเราสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งต้องพยายามแก้ไขไม่ให้บ้านต้องสุดโทรมลงต้องรักษาตามมาตราการที่จะพึงรักษาหรือร่างกายของเราก็จำเป็นต้องรักษาในสุขลักษณะอันสมัยแม้เราได้รถคันงามมาสักคันก็ต้องดูแลรักษามาตราการที่ถูกต้องทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพที่จะเกิดขึ้น กล่าวมาเช่นนี้เพื่อให้เข้าใจว่าเราจะรักษาสมาธิของเราในสิ่งที่มีความมั่นคงอันเป็นหลักประกันของชีวิตจะได้ชื่อว่าป้องกันความเสื่อมันที่จะเกิดขึ้นมีหลักการดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งศรัทธาหมายถึงความเชื่อมั่นถึงความจริงที่ว่าความมีสมาธิมีคุณต่อเราจริง เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ร่องป้องกันการวอกแวกของใจเราที่มีปกติชอบระแวงในลักษณะต่างๆโดยคิดว่าไม่ใช่งการอะไรที่จะมาดาเนินการหมายความถึงดาเนินการสร้างสมาธิขึ้นอันนี้เป็นเครื่องที่ไปกระตุ้นใจเราไว้กระตุ้นใจเราว่าทำสมาธิมันจะได้อะไร อย่างนี้เพราะความที่เราไม่ได้คิดว่าสมาธิมันมีความสาคัญมาถึงข้อที่สองที่ว่าความลังเลหมายถึงความไม่แน่ใจการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เพื่ออะไรมิจําเป็นที่จะมาใช้เวลาให้เสียไปโดยเหตุที่ว่าเป็นความไม่มีอะไรเป็นเรื่องเลี้ยวไหลไม่เห็นว่าการทำอย่างนี้ดี และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ข้ามคืบมีหลายๆคนที่เห็นว่าคนทําสมาธินี่มันเป็นพวกเลวไหลคนที่พูดอะไรอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดลังเลขึ้นมาแอนี่จะทําดีหรือไม่ทําดีมันมีสารพัดบางคนก็มาตำหนิติดิ้นบางคนก็มาพูดหย่ยวเย้าบางคนก็ ถูกคนที่มีสติปัญญาในการล่าเรียน ส, งสูงๆมาพูดให้มันก็เกิดได้ไอ้ที่พูดมานี่คือทางที่จะให้เกิดความเสื่อมเนี่ยลักษณะที่ทำให้เกิดความเสื่อมความผอดใจข้อที่สามหมายถึงหมดกําลังใจที่จะเสียสละเพื่อการนี้เพราะงานอื่นเรายังมีอีกมากทาไปก็มีแต่เหน็ดเหนื่อย หาทางทอดทิง้งล้มเลิกการกระทานี้โดยคิดว่าเรามีอิสระจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใครจะมาบังคับเราไม่ได้ก็หมายความว่าเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วก็ยกเลิกหมายความว่าถอดใจเอาได้รือเหมือนกันกับเราวิ่งแข่งก็แข่งไม่ไหวก็หยุดมันซะเลยก็หมายความว่าเส้นชัยมันก็ มองไปไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นการที่คนทำสมาธิแล้วเนี่ยลมเลิกอันนี้มันเป็นเรื่องของความถอดใจของบุคคลผู้นั้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะหนึ่งของความเสื่อมสมาธิทีนี้มาตัวข้อที่สี่กาเรียกว่างานตัวนี้จะเกิดขึ้นกับจิตมีความปริวิตกงานนับประการว่าเอ นี่เป็นทางทำให้เรามีแต่เศร้าไม่เห็นสนุกเพลิดเพอะไรปวดเมื่อยเป่าเปล่าเห็นความชีวไยแสงสีสันอันสวยงามตั้งหากเล่าที่จะทำให้เกิดด่นเริงบันเทิงใจสวรรค์ก็คือความสเสวยสุขไม่ต้องมาทำอะไรให้เหนื่อยยากลำบากเราความบริวิตตกเช่นนี้ยังมีอีกเยอะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ พระสิ่งปริวิตตกที่เกิดขึ้นกับใจนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งมาถึงบัดนี้ตัวของหลวงพ่อเองก็ยังมีอยู่มันมันไม่ได้ละเว้นเท่ามา น, นี่มันไม่ได้ละเว้นว่าคนนี้จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นพระหรือว่าเป็นคราวาสมียศถาบรราศักด์หรือว่า จะเป็นคนร่ำรวยมีเงินทองเขา้าพอสักเพียงใดมันไม่เคยลักเว้นแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นความปริวิตกอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการที่จ ะ, ะมาทำความเสื่อมโทรมให้แก่สมาธิข้อที่ห้าหกเจ็ดก็เลยไม่ต้องอธิบายเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วเช่นอยาน่างข้อที่ห้า การขัดวันประกันพุ่งอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าต้องอธิบายข้อหกความเกียดคร้านก็เราก็คงทราบกันอย่างชัดเจนข้อที่เจ็ดความหมดอะไรตายอยากอันนี้ก็คิดว่านักศึกษาทุกคนคงจะเข้าใจเมื่อกล่าวมาถึงเช่นนี้แล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่โต แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเป็นเพียงเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราทำสมาธิมันก็เป็นเหมือนธรรมดาเพราะยิ่งทำก็ยิ่งสบายเมื่อความสบายเกิดขึ้นในใจใจของเราก็ชอบเมื่อชอบสิ่งนั้นนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าพู้ทาสมาธิมาถึงขั้นสบายแล้ว มันก็ยากที่จะล้มเลิกได้แม้ว่ามารหรือสิ่งใดๆจะมาชวนให้ไปในทางอื่นใจจะไม่ไปเมื่อใจไม่ไปทุกอย่างก็ต้องตามใจส่วนผู้บำเพ็ญที่ยังไม่พบกับความสบายนั่นนั่นแหละที่จะต้องฝืนสัหน่อยคือฝืนธ ร, รมอันว่าการฝืนทำนั่นเองเรีย ก, กว่ามุมา น, นะหรือเรีย ก, กว่าขยันหมั่นเพียรฉะนั้น แม้ทางเสื่อมจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พบสมาธิแล้วก็เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นอย่างไรก็ตามกิจประจำวันนี้ก็ได้เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญที่จะไปถึงจุดยบเลิกการทำสมาธิบางครั้งมันจะเกิดความรุนแรงมากเช่นข้อแปดข้อแปดนั้นคือกิจการประจำวัน เพราะการงานทั้งปวงเป็นสิ่งจำเป็นต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวและสังคมกิจการนั่นๆย่อมมีการกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเพราะนั้นการเสื่อมของสมาธินี้จึงเป็นภัยเหมือนกันคืออันตรายอันหนึ่งภัยที่ก่อให้เกิดความเสื่อมของสมาธิประการสาคัญมีอยู่อีกข้อหนึ่งคือจุดยืน จุดยืนนั้นต้องมีความแน่วแน่ไม่แปรเปลี่ยนเนื่องจากจุดยืนที่งอนแง่นจะทำให้เข้าสมาธิด้วยความลังเลจับโน่นฉวยนี่ถือว่าจุดยืนไม่แน่เสแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะพบจุดพลังอานาจได้อย่างไรเมื่อทำไปก็ยิ่งเลือนเลยทำให้ถอยสัทธาความเสื่อมก็จะเริ่มเข้ามาอย่างสงาา่าผ่าเผย เป็นอันว่าถึงจุดจบเลิกลาจากการทำสมาธิไปเลยเป็นอันหมดโอกาสที่จะได้แสวงหาสมาธิต่อไปเพราะฉะนั้นจุดยืนนะหมายถึงว่าความแน่วแน่ของวิธีการความแน่วแน่ของที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนมาสิ่งที่จะต้องยืนหยัดอยู่ว่าเราจะต้องทำอย่างนี้เช่นหลวงพ่อสั่งให้ว่า ทำเช่นเมื่อเริ่มจะทำสมาธิเราก็ถามตัวเราซะว่าใครคือผู้รู้อันนี้จะถือว่าเป็นจุดยืนของคณะครูสมาธิแล้วบางคนคิดว่าการถามว่าใครคือผู้รู้นั้นคิดว่าไม่สำคัญแต่ที่ จ, จริงมันสำคัญเพราะว่าตัวนี้จะไปฝังเ้าเรียกว่า ฝังอยู่ในจิตของเราถ่ายภาพไว้เยอะๆอะและตอนนี้จะเป็นผู้เทแก้ไขความหลงผิดของสมาธิแต่เยอะอันนี้คือจุดยืนจุดยืนอันนี้ถ้าหากว่ามีอยู่ในตัวของเราอย่างแท้จริงแล้วนี่มันจะเป็นการที่ทำให้เรามีความก้าวหน้าไม่มีทางที่จะ เสื่อมสภาพของสมาธิได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเข้าใจในเรื่องของสมาธิว่าผลทางเสื่อมที่จะเกิดขึ้นมาได้เราก็คงจะมีหลักเกณฑ์ความรู้ที่จะแนะนำบุคคลผู้อื่นต่อไปก็คงจะลืมไปแล้วเพราะว่า เดินทางไปเมืองนอกจากกรุงเทพถึงแวนคูเวอร์จากแวนคูเวอร์ถึงโตเรนโตจากโตเรนโตถึงน้ำตกแองการาจากแองการ่าถึงนิวยอร์กจากนิวยอร์กกลับคืนมาประเทศไทยก็เลยลืมเล่าประวัติหลวงปู่มันไปซะแล้ว <c oughs> ลืมไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้น ก็คงจะต้องแถมกันสักหน่อยนึงว่าเวลานี้ได้เดินทางจากจังหวัดจันท บ, บุรีไปจนกระทั่งถึงหลวงปู่มั่นเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไปถึงหลวงปู่มั่นแล้วก็ได้ฟังเทศท่านตลอดแล้วก็ได้ปีบท่านตลอดคืนลุ่งขึ้นท่านก็เลย ตั้งให้เป็นทอตั้งให้เป็นทอทศเก่าเขาก็น้อยใจเสว่าเขไปนั่นอ่าแหมเป็นท อ, อเราเป็นทศ อ, อ, อยู่ดีดีเนี่ยมาปลดได้แท้จริงไม่ใช่ท่านปลดแรอวท่านเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยมีเจตนาอย่างแรงกล้า บรรดาลูกศิษย์นี่โอ้โหเดินหนทางตั้งกว่าพันกิโลเมตรสามาหาท่านแล้วก็อย่าเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ยอมถอยอะจะให้บีบหมดคืนก็บีบจะให้ฟังเทศสี่ห้าชั่วโมงก็ฟังอย่างนี้ไม่เห็นใจก็เห็นใจแย่ท่านก็คงเห็นใจหลวงพ่อเอาละตั้งวิทยังเป็นทศออต่อไป ว่านะคนที่ทำมาแล้วกลับได้ท่านพูดคาเดียวก็ไม่มีใครโตแยงแล้วว็นนับจำเดิมตั้งแต่เป็นทอสอมาวันหนึ่งหลวงพ่อก็เข้าสวมพุทจะเข้าสวมก่อนพอเข้าสวมไปแล้วก็ล้วก็นึกคิดสารพัดอ่ะเพราะว่าสวมสมัยนั้นไม่มีสวมซึมอ่ะก็ต้องสวมลุ ม, มนั่ง ก็ตัวนอนเยอะแยะอะไรเงี้ยนั่งไปมันก็เราจะนั่งให้นานนักก็ไม่ได้เพราะว่ากลิ่งมันแรงก็นั่งพอสมควรแต่จะนั่งน้อยไปก็ไม่ได้ก็ต้องให้จบซะ ก, ก่อนจึงกลับไดเ้เพราะฉะนั้นเมื่อสำเร็จทุกอย่างแล้วเราก็อาบน้าอาบท่าเพื่อการธรรมดาเวลาที่ตอนเย็นมาเนี่ย มีหน้าที่ที่ต้องไปตามน้ําร้อนมาถวายท่านขณะนั้นอยู่ในระยะสงครามจะไปเอาใบชาที่ไหนจะไปเอาไอ้ที่สิ่งมาให้ต้มน้ําร้อนได้ที่ไหนก็ต้องไปบังคับเขาไปขึ้นเอาใบมะม่วงก็เอามาปิ่งปิ่งใบมะม่วงเนี่ยมันต้องดูให้ดีนะอ่าวันหนึ่งลุงพ่อก็ปิ่งใบมะม่วงเฮ้ เผือไปวันนี้เกือบอได้เวลาฉันแล้วเน้นแล้วเล็้วหน่อยมันก็เอาปิ้งไปทั้งไอ้ไฟมันไม่เป็นฐานนะมันเป็นไฟลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นควันปิ้งกับไปเดียวเดียวไหมเดียวเดียวไหมจุ่มลงไปเลย <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วเรก็เอาไปถวายท่านใช่นหมใไอ้ น, นีมันมีกลิ่นนี่วะถวาแกทำอะไรอนน <c oughs> บอกว่า ควันมันหอมดีครับอร่อแกตัวแทนเน้นมันหอมดีเหรอออมันมันหอมยังไงบอกว่าเพราะว่าเวลาเผาแล้วควันขึ้นเนี่ยมันกลิ่นควันมันหอมกลิ่นควันหอมอเลยหอมมันเกิดให้ลินเอาลินออกมา พอลิโนออกมาเสร็จท่านก็ยืนเอาแกฉันทันหนึ่งแก้วท่านก็ไม่ฉันต่อทัถวายหลวงพ่อเฮอแกเอาอีกท่านก็เลยบอกว่ามีแล้วนะตบอกว่าการทำอะไรเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจว่าการที่ทำให้มันเกิดความสมั่นเสมอ เป็นความที่ถูกต้องที่สุดนั่ ว, ว่าเนะี่ยเทศเราอีกระดีนี้ท่านก็ไม่ฉนะันละวันนั้นอ่าเป็นการถูกต้องที่สุดและแกทำอย่างนี้หมายความว่าทำอะไรรวบรวบมันไม่สำเร็จหรอกจะทำยังไงมันก็ไม่สำเร็จนั่งสมาธิเคาอยากทำก็ทำพุทภาพทำไปเลยหมายความว่าอยากจะนั่งสมาธิก็เขาก็นั่งกับเขาไปงั้นแหละแต่มันเอาร่วงรวงนัว่างนะั้น เราก็ต้องนั่งฟังเทศท่านครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องโดนกินน้ำร้อนไปสองแก้วใหญ่โอ้เนี่ยเรียกว่าถึงยังไงอ่ะท่านก็พยายามที่จะเทศไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนแม้จะเป็นเวลาที่เราบีบอยู่ท่านก็เทศอธิบายเนี่ยคือหมายความว่าเราอยู่กับท่านเนี่ย จะเป็นระยะไหนเวลาใดท่านจะเอาออกอุบายมาให้เทศเช่นอย่างที่เล่าให้คณะ น, นักศึกษาฟังครั้งก่อนที่ว่าเวลาหั่นผักเนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านฉันอร่อยอร่อ ย, ออยและได้เคี้ยวแต่วันนี้เราหันหยาบถวายท่านพอท่านมาดูนี่มันอะไรแกขี้เกียจหรือเปล่าผมต้องการอยากจะให้หลวงพ่อฉันอร่อยอร่อยนะจะได้เคี้ยวหน่อย ท่านเทศเลยปวดเขี้ยวคือหมาบอกว่าเนี่ยอัตมาได้สมาธิมาต้องเยอะปวดเขาอย่างเนี้ยมันก็คือสัตย์เรชาอันนี้เป็นคำที่ดาอย่างสุภาพหรือว่าแนะนำอย่างเรียกว่าถึงถ้าใครไม่ฟังแล้วก็เวลาที่ท่านพูดเนี่ยนะท่านจะไม่พูดสองต่อสอง ท่านจะพูดแล้วคนนั่งเต็มหมดเนี่ยแล้วท่านถึงจะพูดอีตอนที่โดนฉันน้ำสองแก้วท่านก็ไปเรียกคนอื่นมานั่งเต็มแล้วอย่างเงี้แล้วท่านก็ว่าเอาว่าเอ า, เ อ, าอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นและคือว่าท่านต้องการจะพูดอย่างเนี้ยให้คนทั้งหลายเนี่ยรู้ไม่ใช่ว่าคือเอาเราเป็นเหตุหมายความว่าเอาเราเป็นเหตุ อย่างเวลาที่หลวงพ่อหันผักเนี่ยถ้าท่านก็นั่งเต็มหมดนะสามสี่สิบองนั่งชันแล้วท่านก็พูดแรงๆออกมาเลยว่าหัวเชี่ยวคือหมาหัวงาคือช้างแล้วคราวนั้นก็มีพระองค์หนึ่งไม่รู้อาจารย์อะไรก็ไม่รู้เป็นนั่งสมาธิอยู่ที่เขาคอแต่ไม่เขาคอเนี่ยม่เขาคออยู่ทางสกนลนครนนทนก็นที่เขาคอเหมือนกันแล้วก็ไม่ฉันข้าวเจ็ดวันนั่งนะ ท่านก็ว่าอวดเที่ยวคือหมาอวดงานคือช้างไอทําแบบนั้นไปทําอวดเขาแล้วก็ไปเที่ยวประกาศว่าฉันจะเข้าโรงละฉันจะนั่งเข้าชานละอะไรอย่างเนี้ยท่านนหะพูดอย่างแรงเลยว่านั่นคือสัตว์ไร่ไร่ชาติคือว่าอวดเขี่ยวคือหมาอวดงานคือช้างอย่างหลวงพ่อให้เน้นเอาไอไป ม, มะม่วงไอ้เจ้เข้าไปในไฟเลยเมัอนแล้วเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็ออกมานี่ก็คือการทํางานลวกๆ ง, งานรัววัวทาสมยิ่งสมาธิไปลวกอย่างนั้นก็ไม่สําเร็จแล้วพอไปบีบท่านคือเข้าไปในส้วมคือเล่าถึงเข้าไปในส้วมแล้วเนี่ยแล้วตอนเย็นมาก็ไปบีบท่านเราก็บีบไปบีบไปเพราะว่าตอนกลางวันจะต้องบีบท่านพอฉันเสร็จแล้วเนี่ย หมายความว่าสันเสร็จแล้วก็ประมาณแปดโมงกว่าเก้าโมงอย่างเงี้ยต้องบีบบีบไปถึงตีกองเพนก็สิบเอ็ดโมงก็หมายความว่าบีบตั้งแต่เก้าโมงถึงสิเอ็ดโมงพอใกล้จะสิบเอ็ดโมงถ้าก็ลืมตาขึ้นมาเอ๊ะยวิทยเราเรู้แล้วอา้าวรู้อะไรไอ้แก้มันทำอะไรอยู่ในส้วมอะ่ะ <laughs> โอ้โหนี่เราอยู่ในส้วมนะถ้ายังตามไปเอาใจไปดูเรานะนี่มันเหลือกินแล้ววะ <c oughs> แกนึกอะไรอยู่ในส้วมแกนึกได้ไหมวันนี้นี่ผมก็ไม่รู้นะผมก็ลืมแล้วอ่ ะ, อะแต่รู้สึกว่ามันเหม็นตุ๊ดๆเท่านั้นนะเพราะว่าอยู่ส้วมอ่ะนันก็ไปทุกวันอ่ะแกนึกว่ามาอยู่กับฉั สามเดือนตีกว่าอยู่กับอาจารย์ของแกแปดปีแกนึกได้อย่างนี้ใช่ไหมว่าอย่งนั้นเราก็โอ้ก็ น, นึกแม้เราม่อยู่กับท่านสามเดือนเนี่ยอยู่กับอาจารย์แปดจะ ก, กองมาแปดปีนี่สู้อยู่สามเดือนไม่ได้ก็คือเรานึกอยู่ในส่วมอย่างนั้นจริงจริงโอ้แสดงว่าเราก็นึกว่าแม้อยู่กับหลวงปู่สามเดือนนี่แม้ดีกว่าอยู่กับหลวงอพระอาจารย์เราถึงแปดปีน่ะ มันเหลือกินธ ก, กินว่าอคิตในใจอยางนั้นไหนเวลาส่วมอยู่อ่ะแล้วท่านไปนึกไปรู้เราได้ยังไงดูเราไม่กระทั่งเรากำลังส่วมก็เอาล้วจบม า, าประวัติหลวงปู่ถ้าจะให้เล่าเรื่องหลวงปู่มั่นเนี่ยน่ากลัวไม่จบไม่ง่ายเลยขเขเล่าไปทีละน้อยละน้อ ย, น, อยนี่ เขาเรียกว่าเรขาเรขามาวางไว้ข้างหน้านี่นึกได้ไม่งั้นวันนี้ก็คงไม่ได้เราแสดงว่านักศึกษาสนใจอะเรขาอยอมรับแล้วว่านักศึกษาสนใจเออเออเออเออยออเออเออเอที่เราเขียนไว้ในออเเสือประวัตินเออเออเออเออเออเออัอเนเอีเออเออเออเออเออเอยเออเออเเเออ แต่ว่าส่วนย่อยๆเนี่ยมีเยอะมาส่วนย่อยๆเนี่เวลานี้เขาก็คงบันทึกเสียงไว้เดี๋ยวใครก็เก็บเอาไปเขียนนั้นยุ่งใหญ่ <c oughs> อคิดว่าพระที่ถามเนี่ยคงจะจบวันนี้ก็ดีด้วยว่าเราก็จะได้รู้จักใจพระว่ า, าใจพระเป็นยังไง <c oughs> ต่อไปก็ข อ, อนิมณพระวะสันทะปุญโยกราวบรรส ก, การหลวงพ่อครับพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาทสี่จนชำนาญหากปรารถนาจะมีอายุกลับหนึ่งหรือเกินกว่านั้นก็ย่อมได้อยากทราบว่าการเจริญอิทธิบาทสี่จำกล่าวทําอย่างไรครับการเจริญอิทธิบาทสี่เขาก็มีอยู่แล้วว่าฉันทะวิริยะ จิตตะวิมังสาฉันทะคือความพอใจพอใจที่จะมีอายุพร้อมกันนั้นจิตก็ถึงจุดพลังอำนาจพร้อมกันนั้นเขาก็มีสมาธิตื่นสมาธิลึกสามารถเข้าฌานอยู่ได้แต่ว่าในประวัติกล่าวไว้อย่างนี้ แต่ก็ยังไม่มีพระองค์ใดที่ท่านเจริญอิทธิบาทเพราะพศ2541ก็ยังไม่มีเหลือสักองที่จะแต่ก็คงจะมีประวัติเล่าว่ามีพระองค์หนึ่งอยู่ใต้สะดือทะเลพระองค์นั้นชื่อว่าอุปคุณเวลานี้ยังมีอายุอยู่ยังไม่มมรนะ และท่านจะมาช่วยงานพุทธศาสนาเป็นครั้งราวตัวคุดนั้นเอาไว้เล่าที่หลับกลับทุกการครับต่อไปเกิข อ, ขอนิมนต์พระสิริชัยชัยยะมโนผมกลับทุกการหพ่ออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าบางวันงั่งบางวันก็จิตก็สงบดีแต่บางวันทำไมมีอาการสะดุ้งนะหลวงพ่อ อาการสะดุ้งมันก็คือการที่การปรับร่างกายเฉยเพราะว่าเวลาสะดุ้งนั้นจิตมันจะเข้าผวางเคอการเข้าผวางจะเข้าไปสู่อทิตสมารกายเพราะฉะนั้นเมื่ อ, อการปรับของจิตนี่มันไม่ทันมันก็เดยสะดุง้งก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรการสะดุง้งครับแล้วจะมี วิธีแก้ไขยังไงครับเนี่ยปล่อยไปเฉยเฉยแล้วมันก็หายเองต่อไปเขาในมลพระสงวนประภากาโรถาบนมามสการพระอาจารย์ที่เขา เ, าเวลาเรียนเสร็จลักับไปวัดใจมันจะตื่นตื่นไม่หลับตลอดเวลาจะหลับตอนเช้าตอนตีห้าหลงพ่อมีวิธีแก้ไขยังไง เตืนไหมความว่าไงไม่หลับนอนไม่หลั บ, บแล้ะแต่ก่อนนั่งสมาธินี่มีการนอนไม่หลับไหมนอนหลับอแต่พอมานั่งสมาธิเกิดนอนไม่หลับเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นการสวนทางะตามธรรมดาแล้วเนี่ยพอนั่งสมาธิแล้วในจิตมันจะเข้าผวังพอเข้าผวังแล้วเนี่ยมันก็จะหลับไป แต่ทีนี้มันเกิดไม่หลับขึ้นมาก็คือจิตไม่เข้าผวังเพราะฉะนั้นทางที่แก้ก็คือนั่งสมาธิเนี่ยให้จิตมันเข้าผวังทีคือนั่งที่เนี่ยให้มันเข้าผวังพอเข้าผวังไปแล้วเนี่ยพอไปถึงวัดมันก็จะไปเข้าผวังอีกไอ้ที่มันไม่หลับอ่ะถ้าจิตมันไม่เข้าผวังอันตัวนี้ก็ต้องระวังหน่อยทําให้มันจิตเข้าผวังไว้ คืออย่าไปเกรงแล้วเราต้องทําเหมือน ก, นกันกับว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิคืออย่าไปมีอุปทานเพราะว่าการมีอุปทานนั้นจะทําให้เกิดไอจิตมันเกิดคลิกความพลิกของจิตเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือทําจิตให้เข้าภาวะเชียขอถามอีกข้อ ือว่าหลวงพ่อนั่งเครื่องบินจากนิวยอร์กถึงประเทศไทยหลวงพ่อพูดว่าทำใจว่างนั่งนั่งสมาธิตลอด22ชั่วโมงการทำใจว่างทำอย่างไรครับใจว่างก็หมายความว่าเราไม่คิดถึงใครแล้วก็ใจว่างมันพอใจว่างภัพในจิตมันจะเข้าพวังเลยมันไม่ใช่ว่างแบบตื่นอย่างที่ คุณเป็นอย่างเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ตื่นพ อ, อ, อขึ้นเครื่องเสร็จเขียนหนังสือเขียนหนังสือเสร็จคนก็มาเสิร์ฟอาหารคนเสิร์ฟอาหารเสร็จก็ทําจิตว่างพอทําจิตว่างเสร็จก็หลับมาตื่นเอาเกือบถึงเมืองไทย <c oughs> กันเลยสบายมิฉะนั้นก็มาสอนนักศึกษาไม่ได้ ทำาไมทำอย่างนี้เอาล ะ, เ, าละเท่านี้ครับนมัด ก, การครับต่อไปขอในมณพระสุพันเกสะโสภาขอโอกาสประเดชพระคุณหลวงพ่อครับสมมติว่ามีผ้ารูปหนึ่งเดินไปเจอผู้หญิงกำลังจะจมน้ำแล้วผ้ารูปนั้นลงไปช่วยหญิงนั้นไว้จะต้องอาบัดหรือเปล่าครับแล้วถ้า ไม่ช่วยหญิงนั้นปล่อยให้หญิงจมน้ําไปจะเป็นบาปไหมเขาล่ะผมวิธีการเขาอย่างนี้พอเห็นผู้หญิงจมน้ําแล้วก็ให้โยนไอ้ที่มันเกาะได้อะมันจะเป็นยางรดหรือจะเป็นอะไรเป็นเชือกหรือจะเป็นอะไรโยนให้แล้วผู้หญิงเขาก็จับได้ก็ไม่จมน้ําตายะแต่กระโดดลงไปจับมันคงไม่ไหว อันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามคุณธรรมถือว่าสำคัญที่สุดเมื่อเห็นกำลังจะจบน้ำตายยังไงเสีก็ต้องช่วยขึ้นมาให้ได้อย่าด้วยวิธีใดก็เท่านี้แหละครัขบขพระคุมากก็ไม่ดีพระสนทยาขันติทโร กรามน้อมนตการพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมขอกาบเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่นั่งสมาธิแล้วเกิดจิตยิประราดเป็นเพราะเหตุอะไรครับหลวงพ่อเกิด <Good. S 1> จิตยิปรลาดครับหลวงพ่ออ๋อวิปลาดเพราะว่าเดินทางผิดสมาธิได้กล่าวแล้วว่าจะมีการเดินทางผิดเช่นอย่างว่าเมื่อจิตมันเข้าผวังไปแล้วนี่ก็ไปเห็นนางฟ้านางสวรรัค์ หรือบางทีก็อาจจะไปเห็นอะไรต่ออะเยอะทีนี้จิตมันก็หลงไปตามไอนิมิตอันนั้นพอหลงไปตามนิมิตนั้นจิตก็ไปเรื่อยตามนิมิตไปเรื่อยพอตามนิมิตไปเรื่อยแล้วสติก็ตามไม่ทันเมื่อสติตามไม่ทันแล้วก็จิตมันไม่กลับพอไม่กลับแล้วทีนี้ก็เกิดให้ความวิปลาสทีนี้หายไปเลยแสดงว่า เหมือนกับคนที่ไรสติแล้วอันนี้ก็คือการโทษของการทำสมาธิย่อมทำถ้าหากว่าอาจารย์เนี่ยไปแนะนำบอกว่าเมื่อเห็นสมาธิแล้วแม้ดีที่สุดเลยเอาเลยอย่างนั้นแล้วก็ตามกันไปไปไ ป, ไปม า, มาเดี๋ยวเลยเป็นอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นแบบเดียว ก, กันกับคนที่ทำสมาธิแล้วพร้อมกันยิงตัวตายอย่างเงี้ย อันนี้มันเป็นเรื่องของความผิดสมาธิวิปลาสต่อไปก็ขอมนมันระะมวนอุดราสโยกราบขอบกอกาสพระเดชพระคุณลุงพ่อที่เคารพอย่างสูงผมก็มีปัญหาคือเคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์ต่างจังหวัดท่านก็พูดแต่ไม่รู้จะจริงหรือประผมก็ขอโอกาสถามลุงพ่อว่าคือผมได้ฟังจากพระ ครูบาอาจารย์ที่ไปปฏิบัติกับท่านท่านบอกว่าถ้าอยากจะมีจิตสงบที่แท้จริงนั้นอย่าให้เป็นสามนักคือหนึ่งนักศึกษาสองนักก่อสร้างสามนักเทศอันนี้ไม่รู้หลวงปู่มั่นท่านพูดจริงหรือเปล่าครับผมอาอันนี้ก็คนคิดเอาเองอะมันนักอะไรก็ทำสมาธิได้นักศึกษา ก็เป็นสมาธิได้นักเรียนแต่ว่านักโทษก็ยังทำได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะท่านก็คงคิดสนุกสนุกเพานักคงจะทำสมาธิไม่ได้ครนั้นน่ะไม่มีหอวงผูมันไม่เคยพูดหรอกอก็กลับคืนมาหาคณะนักศึกษาฝ่ายคารวสคุณอรนุโชโรจนพงพัน การนมัดการผู้อาจุโสเด็กมีคําถามนอกเหนือจากที่เรียนนะคะอยากจะทราบว่าตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไปเข้าใจว่าลูกผู้ชายจะต้องบวชให้กับบิดามารดาและจะได้อานิสงส์หรือได้กุศลคือบิดามารดาได้กุศลใช่ไหมคะแต่ว่าอยากจะทราบว่าถ้าเป็นลูกผู้หญิงจะทําบุญหรือทํากุศลอะไรที่จะทดแทนให้กับบิดามารดาได้คะอะ ก็บทชีน <laughs> <laughs> ะอก็ยังไม่ต้องถึงแก่บทชีหรอกอก็ <laughs> เรามาจำศีลภาวนาอย่างนี้ก็ถือว่าแผ่ส่วนกุศลไปถึงท่านก็ถือว่าทดแทนและอีกประการหนึ่งก็เป็นผู้ปฏิบัติตนของตนให้ดีอยู่ในศีลในธรรม หมายความว่าดํำรงวงสกุลของท่านคือเป็นผู้เท่มีศินมีสัตว์อยู่ในความมีครอบครัวที่มีศินและเมื่อมีโอกาสก็ไปจําสินอุโบสถหรือว่าเราทําบุญอื่นๆเนี่ยเราก็อุทิศส่วนกุศลให้บิตามารดาเมื่อมีการอุทิศส่วนกุศลให้บิาดามารดาก็ถือว่า เป็นการตอบบุญแทนคุณแล้วเช่นเรานั่งสมาธิเราก็อุทิศสว่สวนกุศลอันนี้ไปให้แก่บิธามันดาก็ถือว่าได้ทดแทนบุญคุณของท่านเมื่อเวลาที่ตอนเย็นก่อนจะเข้านอนกราบก็อุทิศสว่สวนกุศลถาวายท่านก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณได้กราบขอบพระคุณค่ะผู้ที่เป็นผู้ชายไปบ ถ้าหากว่าไปบวชไปทําผิดวินัยเข้าก็าทดแทนบุญคุณไม่รอดกันแต่ว่าถ้าหากว่าไปบวชแล้วก็รักษาทำวินัยเป็นกุศลนุทิศกุศลให้ท่านอันนี้ก็ถือว่ารอดอเหตุทดแทนบุญคุณท่านได้ก <c oughs> ็อยู่ที่บุญกุศลนะนะเหเป็นเพระเราทำบุญทุกอย่างที่เป็นบุญเนี่ยเราก็ทิศให้ บุญนี่ยคือเป็นตัวกลางอย่างไปบวชนี่ก็มีศีลก็คือศีลนั่นแหละเป็นตัวกลางก็คือบุญแล้วทีนี้เมื่อเราไม่ได้บวชแต่เราก็ไปทําบุญเพราะบุญมันเกิดที่ได้สามทางคือทานศีลภาวนาสามอย่างนี้ทั้งเมื่อทําไปแล้วเนี่ยบุญทิศสวยกส็สนให้แก่ท่านกถือ ว, ว่าทดแทนบุญกุณเช่นเดียวกันก็คงจบแล้วจ้า